ไม่มีหลักการไม่มีวิธีการแล้วก็ไปถึงกรุงเทพได้ยาก ท, ท, ทั้งที่รู้ว่ากรุงเทพต้องไปทางเนี้ยแต่แล้วก็ไปไม่ถึงสักทีหนึ่งเพราะวิธีการไปไม่ถูกลงทางบ้างพาหนะเสียบ้างไม่มีคนพาไปบ้างไม่มีปัจจัยพาไปบ้างก็ที่ไปไม่ถึงหลายสาเหตุดังนั้นอันนั้นคือวิธีการแต่ก็มีอุปสรรคในการเดินทางมีอุปสรรคทุกขั้นตอน เช่นขณะนี้เรานั่งในอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคคือง่วงใช่ไหมบางคนเมื่อ ค, คือนนี่นอนไม่หลับนอนใกล้เพื่อนแล้วเพื่อนกลนบ้างเพื่อนไอบ้างเพื่อนกว น, กวนบ้างนอนไม่หลับนั่งตอนเช้ามาก็มานั่งง่วงให้ดูทีนี้ที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของการเดินทางตัวง่วงจึงเป็นอุปสรรคทีนี้ถามว่าตัวง่วงมีวิธีแก้ไหมนี่คือใช้วิธีการนะวิธีแก่เราอาจจะกลับไปนอนสมัย วิธีแก้เราอาจจะตื่นตาทำตาให้โตโตหรือหายใจให้ลึกๆถ้าเรามีศรัทธาที่จะแก่นะถ้าไม่มีศรัทธาที่แก้ก็ต้องถามตัวเองว่าเรามาเอาอะไรเรามานั่งง่วงหรือเรามานั่งตื่นถ้าเรามานั่งง่วงก็ไม่ถูกงานใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนเขาจะเดินทางเนี่ยเราไปนอนขวางทางมันก็ไม่ได้ลวมันก็บาปนะอันนี้คืออุปสรรคอะ น, นั้นอันนี้คือ การเดินทางแม้มีวิธีการแล้วก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าเร า, า จ, จะเดินหรือไม่เดินะโยมที่นอนพิงเสาไปนอนที่ห้องจะได้หายง่วงนอนตรงนี้ไม่ไม่เหมาะขายหน้าชาวบา้านไปนอนที่ห้องดังนั้นเองเราจะเห็นว่ามันมีบวทสักแต่ว่าศรัทธาของเราเนี่ยพอไหมศรัทธาของเราพอพอเราก็ค่อยสู้นั่นเอง <c oughs> เรื่องบวทสักไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่เราจะแก้หรือไม่แก้ตรงนั้นเองพราะเราต้องอุปสรรคต่างๆเราผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ประกอบกิจการงานยุ่งยากซับซ้อนใจใจเราอยังสู้ได้เราแค่ง่วงแค่นี้เราสู้ก็ได้มันไม่ใช่แหละเพราะอะไรเพราะศรัทธาเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามีศรัทธาแล้วไม่มีอะไรที่พดมือเราไปได้ถ้าเราจะทำนะแต่ถ้าม่มีศรัทธาแต่เรื่องง่ายๆเราอย่างชนะมันไม่ได้ศรัทธาจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีห้าประการหนึ่งจะต้องมีศรัทธามุ่งมั่นต่อสู้เชื่อมั่นรักพ อ, อใจที่จะทํานี่ศรัทธาสองวิริยะคือลงมือลงมือพิสูจน์จริงหรือเปล่าว่าง่วงมันง่วงอย่างนี้แล้วจะให้หายมันต้องทําอย่างนี้เราลงมือพิสูจน์ดูมันหายจริงหรือเปล่าเบื่อมันเบื่ออย่างเนี้ ลงมาพิสูจน์ว่ามันหายเบื่อจริงหรือเปล่าหรือนั่งหลับตาเนี่ยมันก่อให้เกิดความ ง, ง่วงจริงหรือเปล่าก็ต้องหลับตาดูนั่งลืมตามันไม่ ง, ง, ง่วงมันจริงหรือเปล่าก็ลืมตาดูแค่นี้นี่เขาเรียกว่าพิสูจน์อ่าถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็นั่ง ง, ง่วงเหมือนเดิมมันนะหายใจก็ไม่เข้าแล้วทีก้มตัวก็ต่ำลงตัลง ต, ล, งต ล, งตลงตาก็หนักเพะฉะนั้หลวงพ่อก็จะอนุ ญ, ญาตให้คนที่ ง, ง, ง่วงจะจัดนี่ไปนอนดีไหม โยมที่รู้ตัวเว่งง่วงลุกไปนอนได้เลยอย่ามาันอย่ามันนั่งง่วงให้เพื่อนดูมันไม่สวยไงถ้าตื่นมันสวยนะยิม้มหลวงพ่อก็บอกให้ดูหน้าหลวงพ่อไว้นะเพราะความง่วงมันกลัวหลวงพ่อนะถ้าโยอมก็ไม่มองดูหน้าโยมก็นั่งหลับตาเหมือนเดิมแล้วเ ม, มื่อไหล่มีใจตื่นนะความง่วงเป็นบุญและเป็นบาปฮะโยมความง่วงเป็นบุญและเป็นบาปเป็นบาปถ้าเรามาปฏิบัติเราไมานั่งเอาบุญแล้วนั่งเอาบาป นั่งเอาบุญถ้ามันนั่งง่วงขึ้นนึกนั่งเอาบาปไหม <S <S เอาบาปแค่เนี้คยคขเสียบง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเข้าใจมันนะเออมานั่งเอาบาปฉันไม่นั่งดีกว่าฉันไปดีกว่าเนี้ยมันก็เกิดการศรัทธาฮึดสู้ขึ้นมาใช่ไหมเออฉันมานั่งเอาบาปมันเอาทำแล้วเอาบุญน้อมใช่ไหมฮึดสู้ขึ้นมาอันนี้คือคือเราตั้งความคิดให้ถูกซะก่อนอถ้าเรามาปฏิบัติเรามั่วไปมาวันโดยที่ไม่ได้ตั้งเจตนาม่ได้ตั้งอธิษฐานไม่ได้ตั้ง เป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรกับไปไมะเสียเวลานะดังนั้นถ้าถามว่าความง่วงเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าอย่าลืมคอนเซปต์เดิมที่เราว่าความง่วงเป็นเกิดหรือเป็นดับความตื่นเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าอย่าอย่าลืมดึงเข้าหาหลักนะอย่าลืมดึงข้าหาหลักความเกิดเป็นบุญหรือเป็นบาป <laughs> ความดับประพฤติเนี่นเป็นบาปไปตรงนั้นอีกนะฮะความเกิดที่เป็นบุญก็มีที่เป็นบาปก็มีความดับที่เป็นบุญก็มีความดับที่เป็นบาปก็มีนี่มันจะลงไปตรงนั้นดังนั้นเรามาปฏิบัติทำมาปฏิบัติพิพัจาราเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังเนี่ยโอ้เสียหายอะไรอย่างหนึ่งเสียหายในการเดินทางสองเสียการเสียงานที่มาสามเสียสุขภาพสี่เสียความสะดวกสบายห้าเสีย ทรัพย์สินสตังค์ที่มาหกเสียน้ําเสียไฟของวัดเจ็ดเสียกาลังใจของแม่ครัวที่มาทําอาหารให้กินเออถ้าเราคํานวณถึงความเสียหายเราเราจะไม่กล้าง่วงแมแต่นี้เดียวนะแม้แต่จะขี้เกียจที่จะไม่ทําเนี่ยมันก็ไม่กล้าขี้เกียจเพราะคํานึงถึงความเสียหายเดี๋ยวนี้มันมหาศ า, ศาลนั่นนะมันไม่คุ้มกันใช่ไหมอ่าอันนี้คือถ้าเราคิดแบบและเอียดนะโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนาเป็นลักษณะคิดแบบดิจิตัลนะ แบบแบบเป็นท่อนเป็นท่อนนะฮะไม่ได้คิดแบบอนาล็อกแคอนาล็อกมันเหลือกเส้นสติต่อเนื่องกัยาวทื่อเลยนั่นน่าจะเห็นว่าเราจะต้องจริงจังตั้งใจอามาก็เลยเอาหลักการทั้งห้าประการเนี่ยศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมาย่อให้เหลืออย่างนี้เข้าใจง่ายจริงจังตั้งใจต่อเนื่องจริงจังตั้งใจต่อเนื่อง แล้วก็ ness, ถูกต้องเชื่อมั่นจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องศรัทธาอริยสติสมาธิปัญญาเราก็มาทำเป็นภาษาของเราเชื่อม land, <estar> ั 69, ่นจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องต่อเนื่องถูกต้องต่อเนื่องเป็นสมาธิถูกต้องเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมตั้งใจคือเรื่องของสมาสติจริงจังเรื่องของเชื่อมั่นเรื่องของศรัทธา เชื่อมั่นจริงจังก็เรื่องของวิริยะวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขเชื่อมั่นจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องจำเอาไว้อย่างนี้เลยเราจะทำอะไรก็ตามเป็นสูตรสำเร็จที่เราสามารถไปประกอบกิจภรร า, ารกิจงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าทางรูปธรรมหรือนามธรรมาก็จะผสมสำเร็จประสมผลสำเร็ จ, น, รจนะฮะดังนั้นในช่วงของการจะพูดถึงเรื่องเวทนาไปต่อไปสู่จิต ได้อย่างไรเราพูดถึงเรื่องเวทนาทางกายนำให้เกิดเวทนาทางจิตที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ไม่ยากที่เราพูดไปเมื่อวานวันนี้เราเป็นเรื่องละเอียดขึ้นต้องตั้งใจนิดหนึ่งว่าเวทนาทางจิตต่อเนื่องไปสู่อารมณ์อย่างไรหรือตัวเวทนาเองที่จะต่อเนื่องเข้าไปเกิดเวทนาทางจิตได้อย่างไรนะเพราะเวทนาเนี่ยมาเป็นตัวกลาง มันจะไปทางฝ่ายรูปก็ได้ฝ่ายน้ำก็ได้เวทนาเป็นสะพานเป็นสะพานเชื่อมรูปกับน้ำเคเด็กกันนะถ้าไปเชื่อมรูปมันก็จะไปต่อที่ห้าสี่ถ้าเป็นเชื่อมน้ำมันก็จะไปต่อที่ขันห้าเพราะอาศัยเวทนาถ้าสี่ขันห้ามีเวทนาเป็นตัวเชื่อมเป็นข้อกลางเป็นสะพานถ้าเราไม่แจ่มแจ้งในเรื่องเวทนาแล้วเนี่ยมันจะดูรูปกว่าไหม สำเร็จจะดูน้ําก็ไม่สําเร็จนะแต่พอเข้าใจเรื่องเวทนาเรื่องเดียวเนี่ยท่านบอกว่าเข้าใจแทบทุกเรื่องในในพุทธธรรมท่านบอกว่าเวทนาสโมโอสารนาเวทนาเป็นที่รวมรงของธรรมทั้งหลายแต่สติเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายปัญญาประโยชสาระปัญญาประโยชน์วิมุตติประโยชสารปัญญาสารูปัญญาเป็นสาระ สติเป็นใหญ่เวทนาเป็นที่รวมลงเห็นเวทนาเป็นที่รวมลงเหมือนเหมือนห่วงน้ำอะ่ะเป็นที่รวมลงของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องไปกินไปดื่มไปอาบเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นที่รวมลงของธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็สื่อสภาวะอะไรไม่ได้เลยนะทีนี้ตัวเวทนาทีนี้จะไปเชื่อมสู่จิตจากความถ้าพลิกไปทางด้านรูปมันเป็นความสบายใช่ พอพลิกไปทางด้านจิตมันเป็นความพอใจถ้าพลิกไปทางด้านรูปมันเป็นความไม่สบายพพลิกไปทางจิตมันกลายเป็นความไม่พอใจพลิกไปด้านรูปเป็นความนิ่งความเงียบความเฉยของกายแล้วพลิกไปทางนามมันกลายมาเป็นตัวเฉยๆตัวทื่อๆซึมๆ เนี่ยแล้วมันจะพลิกไปอย่างทีนี้ไอ้ก่อนที่มันจะเป็นข้อเกาะข้อต่อเชื่อมระหว่างเวทนาทางรูปไปสู่เวทนาทางจิตเนี่ย <c oughs> มันเป็นอย่างไรเนะี่ยซึ่งเมื่อวานได้กล่าวขึ้นไปร ะ, ระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่ละเอียดพอวันนี้จะลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงว่าเวทนาในส่วนที่เป็นสุขเวทนาพอเปลี่ยนมา เป็นจิตที่เราสวดไปเมื่อวานเย็นว่าสาราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะวีตรารคังวาจิตตังวีตรารคังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะนี่หน้าที่ที่บำบัดทุกขเวทนาทางกายท่านให้รู้ให้ชัดและให้ปรับให้เปลี่ยนใช่ไหม แต่พอมาเป็นเวทนาทางจิตท่านใช้คําว่ า, าประชานาติเหมือนกันก็ให้ให้รู้ให้ชัดสราคังว่จิตตังสราคังจิตตันติประชานาติแต่ให้ให้รู้ตัวความพอใจเมื่อมีความพอใจอยู่ให้รู้ว่าความพอใจมีอยู่เนะีราคาดังนั้นแปลว่าความพอใจสูงนเะวลาเราไปซื้อของเราก็ถามเราพอใจอะไรเราก็ถามว่าไงราคาเท่าไหร่ใช่ไหม ก็มาจากคำว่าราราคานั่นแหละจะไปถามแม่ค้าบอกว่าราคามีเท่าไหร่นี่นะยุ่งเลอคนละเรื่องเลยนะแต่ทั้งทั้งที่มันไม่ารากศัพท์เดียวกันได้ว่าสมมุติคนละเรื่องเลยถ้าไปถามว่าคุณมีราคาหรือมีหวังได้หัวแตกกับมาโดนแม่ค้าดุๆเลยนะเาถามว่าราคาเท่าไหร่อันหนึ่งมันแปลว่า Sex sexual กเชียร์เซ็กเอันหนึ่งมันแปลว่าไพร เนี่ยแปลว่าคอคนละเรื่องเนี่ยแต่ว่าไปลากสับเดียวกันมันเป็นนี่คือคือเรื่องของสมมุติมันซับซ้อนแบบนั้นดังนั้นในตัวความพอใจอ่ะมันก็มีมีความความพอใจไม่ใช่ตรงกันข้ามกับความไม่พอใจความพอใจครับไม่พอใจเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมที่ว่าไปเมื่อวานมันคนละขั้วเท่านั้นเองแต่ตรงข้ามกับความพอใจคืออะไร แต่ถ้าตรงข้ามความพอใจคือความไม่พอใจไม่ใช่นะเพราะเราบอกว่าสุขกและทุกเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าสุขมันเปิกดกฎของนิจังมันก็เปลี่ยนมาเป็นทุกด้วยกฎของนิจังทุกก็เปลี่ยนเป็นสุกใช่ไหมและจะบอกว่าเรื่องกฎของนิจังความพอใจก็เปลี่ยนมาเป็นความไม่พอใจเช่นนี่ราคาเท่าไหร่สมมุติเราซื้ อ, อก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งทุกที่กินชามละสามสี่บาท ไปร้านนี้บอกขอห้าสิบาทก็แล้วกันพอใจไหมไม่พอใจไ <laughs> ม่คิดราคาเราพอใจคือสามสิบาทใช่ไหมแต่ร้านไม่ค้ากันห้าห้าสิบาทนี่ไม่พอใจแล้วก็อันเดียวกั น, นใช่ไหมพอเปลี่ยนว่ามันไม่ถูกตามที่เราตั้งไว้มันก็เป็นความไม่พอใจเป็นทุกข์เลยใช่ไหมแต่ถ้าจะตรงกันข้ามความพอใจคืออะไรถ้าไม่ใช่ความไม่พอใจมันคืออะไร วีตะระคังว่าจิตตังวีตะระคังจิตตันเมื่อความไม่พอใจเมื่อความพอใจไม่มีอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าความพอใจไม่มีอยู่ไม่ใช่ไอความไม่มีความพอใจกับความไม่พอใจเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องนี่นี่ที่ว่ามันยากอะอ่า <laughs> ระหว่างมีไฟ แต่ไฟมันไม่สว่างระหว่างไม่มีไฟใช่ไหมอันหนึ่งมีไฟอยู่แต่มันไม่สว่างแต่อันหนึ่งมันไม่มีไฟเลยต่างกันไหมความสุขเปลี่ยนเป็นความทุกข์ก็หมายความว่าความสุขมันมีน้อยลงมันกลายมาเป็นความทุกข์ไฟเมื่อกี้มันสว่างร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเหลือห้าแลงเทียนมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะไรใช่มอันนั้นหมายความมันเปลี่ยนมาเป็นความไม่พอใจ พอไฟไม่สว่างเราไม่พอใจใช่ไหมพอไฟสว่างขึ้นเราพอใจมันก็อันเดียวกันแต่ว่ามันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสุขมากคือทุกน้อยทุกน้อยคือสุขน้อยคือทุกมากใช่ไหมสุขมากคือทุกสุขมากคือทุกน้อยเนี่ยมันก็อันเดียวกันนะ้นําร้อนจัดกับน้ําอุ่นๆต่างกันใช่ไหมแต่ก็มาจากความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้ตรงมันเข้ามาน้ำร้อนกับน้ําไม่ร้อน น้ำร้อนกับน้ำไม่ร้อนต่างกันจากว่าน้ำร้อนกลายเป็นน้ำอุ่นบางๆเพรดื่มได้นะแล้วจะบอกว่าน้ำไม่ร้อนนี่ไม่ได้มันร้อนอยู่แต่ว่ามันเป็นไงมันร้อนน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ตรงถ้ามว่าน้ำมันไม่ร้อนเลยนี่คือน้ำปกติใช่ไหมน้ำปกติต่างกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเหมือนกันเวทนาความพอใจกับไม่มีความพอใจ ความพอใจกับความไม่พอใจคําว่าไม่มีความพอใจกับความไม่พอใจก็คนละเรื่องฉันใดก็ฉันนั้นเข้าใจนะนี่ที่มันยากก็ยากตรงนี้อันนี้ที่พูดถึงแล้มาทําให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นในชีวิตประจาวันเราต้องการความพอใจกับไม่มีความพอใจความพอใจและความไม่พอใจเนะี่ยเราควรจะอยู่กับไหนเราควรจะสร้างอะไน ถ้าเราสร้างความพอใจกับความไม่พอใจเป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราแสวงหาความไม่มีความไม่พอใจและไม่มีความไม่มีทั้งสองอย่างความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีเพราอว่าความพอใจไม่มีท่านใช้คำว่าสะโทสั่งวาจิตตังสะโทสั่งจิตตันติปชานาติวีตะโทสั่งวาจิตตังวีจาโทสั่งจิตตันติปชานาติ เมื่อมีความไม่พอใจก็ให้รู้ว่ามีความไม่พอใจเมื่อมีความพอใจก็ให้รู้ว่าให้รู้ว่ามีความพอใจให้รู้เท่านั้นเองมันก็จะเป็นของที่ไม่มีเลยแต่การที่เราไม่รู้ทันมันมันจะเปลี่ยนไปตรงกันข้ามเออตรงนี้ตามให้ทันนะเป็นเรื่องละเอียดการที่เรามีมันแล้วเราไม่รู้จักมันมันก็จะเปลี่ยนคุณภาพตรงกันข้าม เป็นสมูทัยทั้งสองข้างตัวไม่รู้จึงเป็นสมูทัยพอรู้ว่าความพอใจมีอยู่ก็รู้ความพอใจมีอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นความไม่มีความพอใจอแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจก็หายไปเป็นความไม่มีความไม่พอใจยุ่งไหมไม่ยุ่งนะแต่ภาษามันยุ่งไปเท่านั้นเองเรื่องความพอใจมันไม่ยุ่งอ ทีนี้อันที่สามเนี่ยมันจะยิ่งเข้าใจยากกว่าอันที่สองอันที่สามว่าวีตะโมหังวาจิตตังวีตะโมหังจิตตันติปชาตันติอันแรกเรียว่าสะโมหังวาจิตตังสะโมหังจิตตันติปชานาติเมื่อมีความ <c oughs> เมื่อมีความหลงอยู่ก็ให้รู้ชัดว่ามีความหลงอยู่เมื่อไม่มีความหลงอยู่ก็ให้รู้แจ้งชัดว่าความหลงไม่มีอยู่ คือไม่มีจะว่าคือความพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่มันเรว่าความเฉยเฉยอ่าแต่เวลาไปแปลภาษาไทยท่านว่าเมื่อมีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะเมื่อไม่มีโมหะก็ไม่มีรู้โมหะแต่พอมันเป็นภาษาไทยมันเลยยากแล้วลึงแปลว่าโมหะแปลว่าความหลงเหมือนกันเมื่อความหลงมีอยู่ก็ให้รู้ว่าความหลงมีอยู่เมื่อความหลงไม่มีอยู่ก็ให้รู้ว่าความหลงไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นตัวรู้จึงไม่เป็นทั้งสองอย่างจึงแปลว่า ตัวว่างว่างจากความหลงว่าไะว่างจากความไม่หลงอ่าว่างจากความหลงอ่าคือว่างจากความไม่รู้คือรู้นั่นแหละมันก็หายทั้งหลงและทั้งไม่หลงอ่าเห็นไหมอันนี้คือตัวที่เข้าใจยากเมื่อทำสามอย่างนี้ได้ชัดชัดเนี่ยทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ที่เราสวดมาทั้งหมดอ่ะมีสิบหหรือมี มีเก้าหนึ่งเมื่อมีพอใจก็ให้รู้ว่ามีความพอใจนะนับดูนะสองเมื่อมีความไม่พอใจก็ให้รู้ว่ามีความไม่พอใจเมื่อความพอใจไม่มีอยู่ก็ให้รู้ว่าความพอใจไม่มีอยู่ใช่ไหม ส, สามเมื่อมีความหลง นะเมื่อมีความหลงให้รู้ว่ามีความหลงคือหมายความว่าไม่ชัดอะไรเป็นอะไรก็ให้รู้มันก็ยากนะถ้ารู้มันจะหลงได้ยังไงอ่ะไอ้ที่มันหลงก็คนไม่รู้นั่นเองแล้วบอกเมื่อมีความหลงอยู่ก็ให้รู้ว่าความหลงมีอยู่ใช่ไหมเมื่อไม่มีความหลงอยู่ก็ให้รู้ว่าความหลงไม่มีอยู่อ้าวแล้วไปรู้ไงเขาพอเราหลงเราไม่รู้ตรงนี้คือมันยากแต่ห้าให้รู้ว่าหลงให้รู้ตาม ตรงนี้ท่านจึงใช้คําว่าอนุปัสนาคือให้ตามรู้แต่ขนาดที่มันเกิดมันรู้ไม่ทนันนะพ่นเกิดไปแล้วอ่ะใช่ไหมพ้นใช้คำว่ากายานุปัสนาคือสติตามรู้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะห้ามความเกิดได้แต่เราตามรู้การเกิดได้ความหลงเราตามเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดแต่เราสามารถตามรู้ความหลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านใช้คําว่า อนุปัสนาท่านไม่ใช้คำว่าพิจารณาแต่ในภาษาไทยมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ปแปลพี่เด่ะแต่มันจําเป็นต้องใช้ผมไม่มีศับอื่นถ้าอยมีสติตามเห็นซึ่งความพอใจอยู่มีสติตามรู้ถ้าใช้คำว่าตามรู้ตามเห็นเนี่ยน่าจะถูกกว่าคําว่าพิจารณาเพราะคําว่าพิจารณามันใกล้ไปเป็นเหตุใกล้ที่ให้เกิดความคิดอหะใช่ไหมคำว่าพิจารณาเนี่ยแต่ว่าคำตามดูเนี่ย หมายค่าสิ่งนั้นมีอยู่ตามดูมันเสมอการปวดการหนักมีอยู่ใช่ไหมตามดูมันความง่วงมีอยู่ตามดูมันแต่ถ้าเราตามดูความง่วงเป็นเราจะง่วงต่อไปไหมไม่ง่วงแต่ที่เรายังง่วงต่อไปเพราะเราตามดูมันได้ไหมเพราะไม่ได้ตามดูมันมันจึงหลงง่วงไปเนี่ยเราไปห้ามความง่วงได้ไหมห้ามไม่ได้แต่เราตามดูความง่วงได้ใช่ไหมได้เนี่ยคือความหลงความง่วงคือความหลงใช่ไหมแต่มันง่วงไปแล้วอ่ะ งุบ ป, ปแล้วกูง่วงไปแล้วเอามาตามดูใหม่พิกหน้าพิกหลังพิกซ้ายพิกขวาลืมตา ก, กว้างๆหายใจลึกๆพิกท่านั่งใหม่มันจะยังง่วงอยู่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทำหมายความมันก็ง่วงอยู่แต่เราทําแล้วมันจะง่วงอยู่แสดงร่างกายเราผิดปกติมีโรคมีภัยมีสุขภาพไม่ดีความทรงตัวไม่ดีเลือดลมไม่ดีมันจึงบีบคั้นเราโดยเฉพาะอย่า ง, งยิ่งเวลาทานข้าวเซตใหม่ๆใช่ไหม มันพยายามที่จะตื่นเท่าไหร่มันไม่ตื่นไม่ขึ้นน่ะนะก็ใช้วิธียัดอย่ า, อ ย, าอย่าไปอยู่กับมันก็ไปหาทําเรื่องอื่นไปเดินบ้างไปเก็บใบไม้บ้างไปกวาดบ้างไปดูพระอาทิตย์พระจันทร์บ้างเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระโมคคานะบรรลุธรรมก็เพราะเรื่องนี้เรื่องง่วงนี่แหละหรือใครถ้า ง, ง่วงก็ง่วงให้เต็มที่เลยมันจะได้บรรลุธรรมนะ <laughs> อย่างง่วงเล็กๆ เ, เลยนะง่วงให้มันเต็มที่เลยเนะ่ ภาษาพระโมคคลลานะหลังจากที่พบพุทธเจ้าแล้วขอกรรมฐานไปอยู่ป่าขอเวลาเจ็ดวันเข้าใจแล้วขอเวลาเจ็ดวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยง่วงทุกวันเลยเอ้พุทธเจ้าแอบไปดูแล้วโอ้ไม่ไหวง่วงทุกวันววนี้ไปไม่รอดเนะี่ยวันที่เจ็ดท่านตามถึงตัวเลยอ่าท่านก็นั่งใกล้ต้นไม้อนะเนาะนั่งใกล้เสาอ่ะบางทีคนขี้ง่วงนะ่ะก็ขยับขยับไปใกล้เสาไว้ก่อนเนี่ย อย่างนั้นครับแม่ใส่เสาได้ไง่าพอพุทธิย่าตามไปดูอ้าวทั่งง่วงทั้งหกวันเจ็ดวันจะนด้เรื่องอะไรท่านบอกอะไปไปเด็ดยอดห่ามาเหมนนไปเด็ดหางยามามาปั่นหูเล่นเหนนปั่นไปปั่นมามก็ตื่นแล้วปลุกอีซีก็้ปลุกอีซีอาก็ตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งสร้างเจ้าว่าไป ไม่รู้สร้งางจัหวะหรือนั่งกำลัรวเลยนะสมมติวา่าสร้างจังวะแล้วก็นเนาะสอดคอภาษ า, ามูณะสร้างจนะังวหวะเขาสร้างจังวหวะไปสักพักมือตกง่ว ง, งเงยบไปอีกพุทธเจ้าท่านเดินอยู่กลมแอบบเดินอยู่กลมอยู่ห่างๆใช่ไหมแอบมาออกจากป่ามาอา้าวง่วงอีกแล้วาไปลานะ้ปลางหน้าก็ลุกไปล้างหน้านั่งสร้างจั่วหวะได้อีกสักพักหนึ่งเงียบอา้าวเงียบไปแล้วนะก็ออกมาดูเอา หลับไปแล้วนะเ้าบอเออลลุกลุเด par ินจงกรมเหมือนกันแก็เดินจงกรมไปเดินอยู่ม่วงอีกเดินสูซัสโซเซก็มานั่งแแมกอยู่กับที่อีกนะง่วงต่ออีกพุทธเจ้าเห็นเอ้าหายไปแล้วก็ออกมาอีกอ้าวดูขึ้นดูดูสู้แสงตะวันเลยนะตอนกลางวันเนอะดูมองมองดูตะวันเลยอท่านก็ไปก็นั่งดูตะวันสักพักเอาไปอมา ตาหลับขาดตะ ว, วันเลยเมืกันง่วงอีกแก้ไปแก้มาโอ้ไม่ไหวเธอไปนอนก็แล้วกันอนีน้ทั้งหมดแก้ทั้งแปดแปดอย่างเนี่ยแปดอย่างอย่างสุดท้ายจําได้ว่าให้ไปนอนแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องนอนจะแขงขวาเอาเอามือขวาเนี่ยเขาเรียกปางสีหาสยายญาติใช่ไหมเอาเท้าซ้อนกันแล้วก็แขงขวาไม่เชือ่อโยงลงไปนอนดูนะ ว่าอาจจะเกิดการบรรลุธรรมก็ได้โดยเฉพาะโยมจูบนอนที่แข็งกว่าไปสักพักหนึ่งท่านก็เดินดูง่ะรากวดว่าเวลาง่วงเราเป็นไงท่านนอนท่านนี้เวลาง่วงเปไง็นไงมันงายหน้าหรือคว่ำงายหลังหรือคว่ำหน้ามันต้องหนักไปข้างหน้าใช่ไหมพอหนักหน้าปึ๊กเนี่ยหน้าสับพื้นปึ้งเลยโอ้โหอวิชชาที่ครอบงํามาหลายภพหลายชาติระเบิดเลยปึ้งขึ้นมาตื่น ตาตื่นใจเต้นผงขึ้นมาเลยโอ้ปากฏว่าบรรลุธรรมในขณะนั้นเลยนะแก่ถึงแปดครั้งบรรลุธรรมเพราะอาวิชามันระเบิดขึ้นมาตื่นเขาเรียกว่าซาตูริเบเวกบางนะตื่นขึ้นมาที่นี้ก็เป็นเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่าพราะเห็นมีพระที่พระพุทธเจ้าบรรเล่าให้พระฟังว่าเนี่ยพระที่ว่าง่วงเนี่ยไม่มีใครเกินพระ โมขารานะฉันไปแก้ตั้งเจดแครั้งมันยังไม่หายเลยครั้งสุดท้ายสะใจว่าไงไา้สับพื้นบึ้งเลยก็บรรลุดามอา้าวทำไมมันหนักขนาด น, นั้นแล้วท่านถามเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยพระโมฆารานะเคยบำเพ็ญตนเป็นมหาฤาษีมาหลายชาติในแต่ละชาติการเป็นมหาฤาษีต้องมีตะบะสูงใช่ไหมมี เอ้อะไรมีความเพียรสูงอะ่ะมีความเพียรสูงมากสามารถนั่งได้สามวันเจ็วันไม่กระดิกเลยหรือสามารถเดินได้ทั้งวันไม่หยุดเลยแล้วทําอะไรที่ที่เรียกว่าอ่ตาตบะสูงมากบาเพ็ญอย่างนี้มาหลายภบหลายชาติมากแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นมิจฉาสมาธิเมื่อเป็นมิจฉาสมาธิแล้วพอมาเจอการตื่นรู้ให้ทําเนี่ยสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมันเป็นถูกซับเอาไว้หนเขาเรียกว่าซับคอเชสได้ไหมซับเอาไว้ในจิตใต้สํานึก เพื่ะ น, นั้นสิ่งที่เราทำแ ต, าแต่ละพพแต่ละชาติเนี่ยมันถูกซับเอาไว้เป็นเอามาจากใจแคว่ากล่องดำของชีวิตที่มาอยู่ซับคอนเสิร์ข้างใต้เนี่ยในภาษาบาลีใช่ใชก็ว่าพังผวังขจิตนะนะผงขจิตและซับคอนเสิร์หรือไอตัวจิตไร่สำนึกได้สำนึกตัวเนี่ยมันถูกเก็บข้อมูลเอาไว้ไม่รู้เกิดมาอยู่พกีชาติกำพอขาสติปั๊บ สิ่งที่เราเกี่ยว้อมันก็จะปลู่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าเราทําไมมันึคิดได้คิดดีแต่ละวันเอาเรื่องอะไรมาคิดเพราะสิ่งที่มันมาขึ้นไม่ใช่เราสั่งสมมาชาตินี้ใช่ไหมอะไรสะสมมาหลายภพหลายชาติมากเพราะฉะนั้นจิตไร้สํานึกเมื่อขาดสติปั๊บมันก็จะออกมาเราเรียกว่าสัญชาตญาณมันออกมาเองพอขั้นสูงขึ้นไปเรียกว่าอาสวะแต่ขั้นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคือมันขึ้นมาเองอ่ะความคิดอ่ะไม่จบไม่สิ้นใช่ไหม คิดได้ทั้งวันอยู่กับความคิดตลอดเพราะมันสั่งสมมาเยอะทีนี้เราจะมาฝึกตัวตัวรู้ทันคือตัวตัวสติเนี่ยตัวสติปัญญาเพื่อจะไปรู้ทันไอ้ตัวจิตได้สํานึกหรือจิตที่เราสั่งสมมาเยอะแยะเนี่ยให้ทันก็เปลี่ยนรู้ทันครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากสัญชยาตญาณเป็นปัญญายาณรู้ทันความคิดทุกครั้งมันเปลี่ยนทุกครั้งเปลี่ยนตัวสัญชยาตญาณเป็นปัญญายาณทุกครั้ง เปลี่ยนจิตไร้สานึกเป็นจิตรู้สํานึกทุกครั้งจากเป็นซับคอนเชสต์จะเป็นไมค์คอนเชสต์เป็นผวังคไขจิตเป็นมโนวิญญาณรู้ทุกครั้งเปลี่ยนทุกครั้งรู้ทุกครั้งเปลี่ยนพอเปลี่ยนได้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยหงพ่อเทียนใช้คำว่าเหมือนกับเราขุดบ่อน้ําบ่อยทรายนะแต่มันนอกเราเนาะไปที่ชายแม่น้ํำว่าขุดบ่อยทรายแล้วก็ตัด ไอ่ขุดแรกๆเนี่ยน้ํามันจะขุ่นใช่ไหมเคยไหมคนว่านอกเคยทำอย่างจำมาได้เป็นเด็กว่านอกเนี่ยทําบ่อยๆน่าแรงมาก็ไปขุดบอยไซด์ใกล้ใกล้น้ำยมน้ำใกล้บ้านหน่อยแล้วน้ำใสในช่วงขุดตัวแรกน้ําจะขุนคลักพราอแล้วพตฒกรขุนค้นผงอะไ ร, รตรไร่างๆมันก็ออกมาแล้วก็มีหน้าที่ตักทิ้งอย่างเดียวตักตักๆักตั ก, ต ก, ตกไปจนกระทั่งน้ําที่มันออกนะ้ำมันมันชําระพวกฝุน่นผงอะไรต่างๆที่ออกมา จนข้างมันชาระหมดไปน้ําก็ใสที่ที่ตักทุกๆุกครัง้งทุกวันน้ําก็ใสใสใ ส, ใสก็สะอาดเหมือนกรรจิตของเราที่มันออกมาแต่ละครั้งมันปะปนเอากิเลสอาสวะเหมือนฝุน่นเหมือนผงที่ใช้เขว่าทุลีใช่ไหมดัสผู้ใดมีทุลีในดวงตาเบาบางผู้นั้นจะเข้าใจธรรมที่เรากล่าวได้เพราะว่าตอนแรกพระ อ, องค์ท้อใช่ไหมในการที่ไปพูดเรื่องเห่านี้กับคนน่ะ คนช่วยใหญ่มันจะนั่งสงบเอาฤทธิ์เอาเดชเอาปฏิหารได้ทั้งนั้นนะ่ะแล้วใครจะมาอยู่ใ้ความปกติธรรมดาที่รู้ธรรมดาไม่มีใครทำหรอกท่านบอกอย่าไปสอนเลยเพราะท่านนึกอย่างนี้ปรากฏว่าพรมคนหนึ่งมันไปรู้ใจเข้าพรมที่เป็นเพื่อนของท่านมาหลายชาติเนะี่ยรู้ใจกันโอ้ท่านศิทธัถะคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะและสัมภัสสัต์ทั้งหลายที่เขามีโอกาสที่จะรู้เรื่องนี้มันก็ฉิวหายหมดดิก็ลงมาเลยมหาลัทนาบอกท่านอย่าคิดอย่างนั้นคิดใหม่ ว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยมันมีอยู่นะท่านท่องสอนไว้เหอะเราก็จึงเอาบทคาถาอาราธนาของพรมคนนี้มาอาราธนาทำทุกครั้งเวลาพระเทศนอกจากที่นี่นะไม่ว่าพรมาจโลกาจําได้ไหมไมันอยู่อลองว่าให้ฟังหน่อยดิพรมาจโลกาอาราธนาธรรมมาว่าไง นทยกวัด น, นี่นะ <c oughs> คล่องแลยทุกครั้งเวลาพระเจคุนเทศต้องอาราธนาพรมวงนี้มาว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านจ่อนจะแสดงธรรมพู้เรื่องนี้เนี่ยพรหมเท้าสามบอดีพรมาจโรกาธิปติสามบดีแต่เท้าสามบดีตีเป็นอธิบดีของในโลกของพรหมโลกเนี่ยได้ลงมาอาราธนา <c oughs> ว่าได้ย อ, อัญชลีอันชลีใช่ไหได้ได้พนมือทาอันชลีอธิวรังอายาจธาและขอร้องว่าสัตตาปรรจิกาชาติกาว่าสัมพสัตในโลกเนี่ยยังที่มีฝุ่นผงธุลีกิเลสในดวงตาเบาบางมีอยู่นะอายาจธาสันติธะสัตตาปรรจิกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังขอให้พระองค์จงเอื้ออินดูต่อสัมภสัต้น ทั้งหลายเหล่านั้นถืดเจ้าจงแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็รับอาราธนาแล้วก็แสดงธรรมมาางนั้นเห็นไหมว่าการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามีทุลีในดวงตากนันหนาทั้งนั้นน่ะเว้นแต่คนที่มานะที่มาได้ในด ว, ดวงตาเบาบางแล้วใช่ไหม แต่บนบางคนก็ยังหนา น, นี้นี่หน่อยอยังนั่งง่วงได้เยอะนั่งง่วงหนักๆที่แสดงว่าเกิดเป็นมหาฤาษีมาก่อนนะไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> เขามีพระมีชาติที่ใหญ่มากๆแล้คนที่นั่งง่วงนะอย่าไปดูถูกเขาไม่ได้นะเ <c oughs> พราะเขาเคยเป็นบําเพ็ญมหาฤาษีมาหลายเวทหลายชาติอ <c oughs> ในที่นี้เห็นหลายคนเคยเป็นมหาฤุษีมาก่อนนี่นะอ <c oughs> แต่ง่วงให้หนักกว่านี้นะั่งง่วงนิดนิดหน่อ ย, อยบรรลุทํำไม่ได้นะง่วงให้มากกว่านี้นะ่ง่วงเอาจนก็น่าสับพื้นเลยว่ากันอหลงพวกกลุ <c> ่ม <oughs> <c oughs> สมัยที่ท่านปฏิบัติที่วัดสนามในปฏิบัติมาปีเศษแล้วเนี่ยท้อเลยไม่แต่เดินโยกมอือตกทางโยโกมืะจนแข้งขาะลอกปอเพิกหมดนะเดินชนต้นไม้ไงหลังอย่างเงี้ยมันง่วงขนาดนั้ น, น, นเลยนะในที่สุดทอ้อวันหนึ่งเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อชาตินี้ผมคงไม่ได้บเพ็ญบุญบารมีอะไรมาหรอกผมง่วงตลอดนะ ปีเสร็แล้วมันยังไม่หายง่วงเราผมคงทําไม่ได้หรอกวิธีนี้ผมท่านบวชตอนแก่นะท่านก็มาไปขอ พ, อพ่อขอลาศึกไปอยู่ครอบครัวลูกทั้งหลายคนนะมีน้ามีนาเ ย, ยอะแยะไปหมดนะบวชไปก็หวังว่าจะได้บรรลุธรรมปีเสร็แล้วยังไม่ได้เลยได้แต่ง่วงหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าหลวงพ่อกรมบุญบา ร, รมีแปลว่าอะไรแปล ว, ว่าสิ่งที่เคยสั่งสมมาในชาติแล้วแล้วครับท่านอ้าว ก็รู้ว่าสังสมมาแล้วเนี่ยมันไม่พอก็สั่งสมต่ออีกหน่อยไม่ดีเหรอเออชะเกิดกําลังใจะมันอาจจะใกล้จะเต็มแล้วก็ได้นะแต่มันยังไม่เต็มอีกนิดเดียวว่างั้นเราต้องต้องไปขยันดูเลยความจริงบารมีเนี่แปลว่าขยันว่างั้นถ้าคนไหนขยันคนนั้นมีบารมีแต่ไม่ใช่ขยันทํานะขยันแก้ไขในสิ่งที่มันเป็นอุบายสักอะไรที่เป็นอุบายสักขยันแก้ไขมันเข้าว่างั้นปรากฏว่าท่านไปเก็บปฏิบัติอยู่สิบสี่วัน วันที่สิบสี่ปรากฏว่าพัวเข้าใจเลยช่วงที่เข้าใจท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่วัสนามในนะเขามีงานนอกวัดแล้วนี่เขาเปิดเครื่องขยายเสียงดังยิ่งานบวชอะดังกล้องเลยท่านก็เลยเสียงมากระทบหูปึ๊กนี่มันก็อ๋ออันนี้รูปเนี่ยตัวรู้เราเป็นนามพอเข้าใจรูปนาปุ๊บนี่ทะลุไปหาตัวปรมัตดเลยตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อหลงพ่อกรมไม่เคยพูดถึงเรื่องสึ่อเลยปัจจุบันนี้อายุ เท่าไรอาจารย์เข้าสิบป่าแล้วเนะาะอยู่วัดป่าสุกตัวหลวงพ่อเขาเขียน่ตอนหลังมาหลวงพ่อเขาเขีนเยนแล้วมาเป็นเพื่อนด้วยเคยมาอยู่ที่นี่ตะมามาอยู่สักพักหนึ่งปรากูเด้อตอนนั้นป่าไม้เขามาไล่เราบ่อยแกก็ลงคันแกนก็หนีไปเลยหนะลวงพ่อกงตอนที่อาจารย์พงแล้วแต่ไล่เราป่าไม้มันไล่หลายครั้งเนี่ยเห็นไหมบารมีแปลว่าขยันถ้าเราขยันทําเนี่ยบารมีมันก็เกิดไปเรื่อยๆที่เราสร้างมา หรือเราสร้างมาบา ร, รมีแรงด้านเป็นมหาฤาษีง่วงจะจัดๆที่ไหมแต่ก็มาเปลี่ยนให้มันตื่นหน่อยนึงบางทีมันอาจจะบรรลุทําได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนง่ว ง, ง, งแต่ง่วงให้หนักกว่านี้หน่อยง่วงแค่นี้ไม่พอหรอกง่วงขนาดว่านอนแล้วอาณาสัพพื้ไล่ก็บรรลุทำเนะีก็หลังจากนั้นมาปรากฏว่ามหาโมฆะนั้เป็นคนที่เป็นไงมีฤทธิ์มากเห็นไหมมีเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์อะ่ะพราะอะไรท่านสร้างบําเพ็ญบา ร, รมีมา เกีกัเป็นมหาฤติีมาหลายภพหลายชาติเพราะนักคนว่องจะจัดดับฤติเขาเยอะนะแต่มันยังเป็นฤติที่เป็นวิชาวิชฉาสมาธิเท่านั้นเองแต่เมื่อไรเขาเปลี่ยนเป็นมิจฉาสมาธิได้เนี่ยมันเป็นฤติอ่ะเวลาเกิดเข้ายากหมากแพงมาพระพระโมคคัลน่าไปพาพระหอไปบินธบัตีหมู่บ้านหนึ่งมาเลี้ยงเนี่ยสมมติว่าหมู่บ้านเนี่ยเกิดเข้ายางหมากแพงไม่มีข้าวไม่พอฉันนี่ไงท่านก็พาพระปุ๊บไปนน่นไปบินทบัตที่กรุงเทพปุ๊บกลับมาก็ อ่าเนี่ยถ้ามีต่อมาพระอื่นจะเอาอย่างบ้างอ่ะเห็นพระมหาบุคลาณะเดินจงกรมปฏิบัติอยู่ตรงไหนภาพไป่หุ้มปฏิบัติใกล้ท่านอยากจะได้ให้ท่านสอนวิธีมีฤทธิ์บ้างผู้ทีเจ้าบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านเลยห้ามว่าต่อไปใครแสดงฤทธิ์เนี่ยบัพอบัติถ้าใครไม่มีจริงท่านปรบาบอบัติปราชิกเลยนะแต่ใครมีจริงไปแสดงเข้าท่านบัพปาจีตีนี่เพราะว่าอะไรเพราะจะทําให้คนเข้าใจผิดแล้วจะไปหวังเอาแต่ฤทธิ์ แต่แตและคนมันจะทําเป็นฤทธิ์เหมือนกันบ่นไม่ได้แล้วแต่เขาสร้างบา ร, รมีมาแต่เราไม่รู้เราด้วยความอยากใช่ไหมทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาก่อน mm. ก็จะเอาฤทธิ์อย่างเขาบ้างเนะี่ยมันมีไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างมาก่อนใช่ไหมอันนี้คือเป็นที่มาของคําว่าอุบายแก้ง่วงแต่บรรลุทําได้นะ น, นั้นอันนี้คือตัวส่วนหนึ่งเอาละทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มี สมาธิที่ได้สั่งสมมาอดีตชาติเนี่ยอยาจารย์งดงศิลป์นี่เขเป็นหมาฤาษีมาก่อนนะท่านนั่งที่ไหนท่านง่วงที่ไหนเหมือนกันเ <c oughs> น, นีเน่อันนี้เป็นเป็นบารมีเก่าของท่านนะแต่ถ้าอะไรถ้าเมื่อไหร่ท่านเปลี่ยนหมดนะท่านมีฤทธิ์เหมือนกับพระโมคคัลลานะเลยนะเร <c oughs> าพระมหาโมคคัลลานะนี่หลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ล้วโอ้โหเป็นนักก่อสร้างอะไรที่สวยๆงบดงามๆเนี่ยฝีมือเก่าของท่านมหาโมคคัลลานะท่านนะ เป็นสถาปนีกเป็นทั้งอิสิเนียเป็นทั้งไอคิเทคพัดอาจารย์นุงศิีไปดูเลยบวดท่านสวยงามมากนะทั้งๆที่ท่านเป็นชางไิเทคนะดังนั้นเองเราจะเห็นว่าคุณสมบัตินเนี่มันมีมาก่อนแล้วเรามาพลิกเปลี่ยนให้มันถูกต้องเท่านั้นเองมิจฉาสมาธิก็มาเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเปลี่ยนได้ไงก็มาเจริญสมมาสติสมาสติทํำก็อย่างที่เราเปลี่ยนเวทนาทางกายให้เป็น เวทนาทางจิตรู้เท่าทันเวทนาทางกายและมารู้เท่าทันเวทนาทางจิตแล้วไปแก้ไขมันก็พลิกเปลี่ยนแล้วแต่ว่าคนที่เป็นมีสมาธิมากเนี่ยเขาจะไม่ลงรายละเอียดเขาจะเพ่งอย่างเดียวเขาจะเพ่งกดกดกดกดจิตเรียกว่าเจโตวิมุตต์ไงเพราะการบรรลุธรรมมันมีสองสามอย่างใช่ไหมเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อ ah ุปโูภาคาวิมุตต์บรรลุธรรมด้วยการใช้พลังจิตสู้ มัอนอย่าเนี่ยมันจะเกิดแรงขนาดนั้นใช้ใช้หินเท่า ไ, ไปเลยมาโยกออกเลยถ้ายกออกมาได้เรื่องนะอ่าลากที่มันยังไม่ตายมันโหงงามกว่าเก่าอีกถ้าจะทับตรงนั้นต้องทับให้มันลากมันตายจิตของเราเหมือนกันถ้าจะเอาสมาธิทับกิเลสตัณหาประทานต่างๆต้องทับให้ตลอดจนกระทั่งอาสวะมันตายโอ้โหกว่าเราจะเข้าถึงจุด น, นั้นนะ่ะเราตายเสก่อนนะใช่ไหมอายุมันไม่พอหรา กว่าจะไออาสวะมันจะหมดด้วยการใช้ไอตัวพลังสมาธิไปทำแต่ส่วนใหญ่เราชอบทำอย่างนั้นในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราจึงมีฤทธิ์มากไงต่อสู้กันมาตลอดดอพระเจิอาจารย์ไปที่ไหนก็แจกฤทธิ์กันใช่ไหมรู้จักฤทธิ์ที่พระแจกไหมรู้จักหลายคนออกมางานเทละงานเอามาไปนี่ถ้าหากใครแขวนพ ร, พระมาอะไรมาขอปลดเลยนะแต่งานนี้เห็นหลายคนไม่ยอมปลด เปงใจแล้วไม่ยอมปลดนะนั่นแหละฤทธิ์ของเขาแหละเขามาผูกไว้ที่คอฤทธิ์ทางภายนอกเนี่ยมันก่อให้เกิดความเป็นอะไรทิฐิมารดาใช่ไหมแล้วพัฒนาเป็นอัตพาลเป็นนักเลงเป็นหัวไม้เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียไปเลยเนี่ยฤทธิ์ทางนอกมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นมันไม่นําไปสู่การพัฒนาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่สนับสนุนในการใช้ฤทธิ์เพราะมันไม่สาธารณะทั่วไปกับคนทั่วไป ดังนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งที่สามารถใช้เวทนาเปลี่ยนมาเป็นฤทธิ์ทางปัญญาแทนที่จะเป็นฤทธิ์ทางจิต ท, ที่จเจโตวิมุตใช่ไหมเพราะเจโตวิมุตหายากเพราะคนจะมีพลังจิตขนาดสะกดจิตของตนเองนานจนกระทั่งรากของอสวรมันตายเนี่ยส่วนใหญ่ในอายุปัจจุบันก็มีไม่กี่องค์ที่เรารู้จักะใช่ไหมที่มีฤทธิ์มากแต่ส่วนใหญ่แ ล, ล้วรูปสิทธิ์มาทำตามทีหลังก็ไม่ขนาดนั้นนะ่ะแต่มันออกมาเป็นฤทธิ์ทางนอกหมด รูปเหรียญของครั้งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอะไรต่างเต็มแผ่นดินไปหมดเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเป็นนักปกครองแล้วเอาฤทธิ์มาสู้กันปฏิวัติกันไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วเนี่ยก็ ย, ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยเอาฤทธิ์มาสู้กันก็ใช้ปฏิวัติใช่ไหมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ไหมต้องใช้สูตรของภาษาริบุตรจะเป็นประชาธิปไตยได้ไปตายไปตายได้นะสูตรของพระเสาริบุตรว่างไงไอ้วันก่อนเล่าไว้บ้างแล้วเนาะที่ภาษาริบุตรไปไปเจอกับท่านพระอาจารย์ชีนะ หลายครั้งเอามาเล่าให้ฟังแล้วล่ะแต่ขอต่อเลยก็แล้วกันจะไม่ไปลึกขนาดนั้น เ, เมื่อท่านพระสารีบุตรเจอพระอาชาชิโดยการฟังคาถาเพียงบทเดียวเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมน่ะคาถาจำได้ไหมหลายคนจำไม่ได้เป็นคาถาที่ฮือฮามากในวงการชาวพุทธน่ะเยธมาเหตุปปาวาเตสั่งเหตุงตะทักโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน เพราะว่าท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุบายสเนี่ยสแสวงหาธรรมะโดยกับเพื่อนกับบุคลาณานี่แหละก็ไปเจอพระรูปเนี้ยพระอาจจชีซึ่งบวทไปใหม่ๆที่พระองค์เพิ่งส่งไปเผยแพร่เนี่ยส่งไปทางละองนะไม่ให้ไปทางเดียวกันสององค์ทีนี้ทั่วไปในเมืองเนี่ยมันก็มีพระนักบวชบิณฑบาตกันขวักขวอย่างอย่างพระบ้านเรานี่แลหละท่านก็ไม่สนใจอ่ะแต่องค์ก็เดิน ไปตามเรื่องว่าท่านคุยกันบ้างสู่ปุรีว้างใช่ไหมเดินไม่สํารวมมองหาญาติโยมจะใส่บาตรตรงไหนใครมีสองไม่มีสองโดยเฉพาะกรุงเทพไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมท่านก็ไม่สนใจสิ่งเหล่าเนี้แต่วันหนึ่งท่านพระอาจจชีเออท่านพระอาจจชิ้ไปบิณฑบาตในเมืองเหมือนกันแต่ท่านโกริตะตอนนั้นชื่อท่านโกริตะท่านาสาริบุนี่นะชื่อว่าอุปติสสะไม่ใช่อุปติสสะก็เออพระรลวนี้แปลกตาเดินนิ่มเดินสวยเขาซ้รวม ตามไม่วอกแวกเดินเดินนิ่มท่านก็เอหน่าสนใจพระองค์นี้มาจากวัดไหนน่าจะตามไปถามหน่อยแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงบิณฑบัตจะไปถามเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมรอว่าท่านบิณฑบัตจบแล้วลงมือฉันเสร็จแล้วอยาจะไปคุยด้วยก็ตามไปแต่ว่ามันคงไม่ใช่ไปฉันไอไอใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงหรอกเนาะในในสมัยนั้นคืนไป ฉันได้โดนข่าวสนามหลวงลวเป็นเรื่องแน่พอหลังจากที่ท่านกลับมาจากบินเบทบัต์ก็มานั่งฉันใต้ต้นไม้จนเห็นว่าท่านเสร็จแล้วก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนอาจารย์ของท่านชื่ออะไรอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนแล้วทําที่อาจารย์ท่านสอนนะสอนว่าอย่างไรถามสิเหล่านี้นะีท่านพระอาจารย์ช่อก็บอกว่าอุบาสกฉันเป็นพระบทใหม่นะคงจะไปตอบคาถามของท่านทุกเรื่องไม่ได้หรอก เนื่องจากท่านอุปนิสสะเป็นคุนฉลาดทั้งบอกพวกคุณเจ้าไม่ต้องลาบากใจขอให้พูดยอ่อ ๆ, ๆได้ผมเข้าใจได้หลักการยอร่อๆท่านก็พูดหลักการอันนี้มาเยธมาหิตวาวาเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุเป็นที่เกิดมันจะเกิดเองไม่ได้มันมีเหตุมีที่ไปที่มานะถ้าเราจะสร้างสิ่งที่ดีก็สร้างเหตุให้ดีผลก็ออกมาดีเองไม่ต้องไปหวังผลหรอกทําเหตุให้ดี ถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องกายสิ่งนี้ก็อย่าทำเหตุของมันไอสิ่งนี้มันทําแล้วเป็นบาปก็อย่าไปสร้างเหตุของบาปอันนี้มันเป็นบุญก็สร้างเหตุของบุญขึ้นมาอันนี้ทําจิตให้บริสุทธิ์ก็สร้างเหตุของจิตบริสุทธิ์อันนี้จิตทําแล้วมันสกจิตสกรปรกก็อย่าไปสร้างไปดับเหตุของมันตรงนั้นปรากฏว่าแค่นี้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่นะางั้นน่ะตามภาษาเรานะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตเนี่ยเข้าใจทันทีเลย แต่ว่ากิเลสหมดไหมยังกิเลสยังเหมือนเดิมแต่เข้าใจอเหมือนเราเขามาอ่านแผนที่ให้ดูนะแต่อ่านแผนที่ออกตามที่เขาบอกแต่ว่าเรา ย, ยังไม่ยังไม่ได้เดินทางหรอกท่านก็เลยไปไปพบพระพุทธเจ้าที่อนุปยัพภวันก็ถามตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุปยัพภวันเดี๋่วผมจะไปพบที่หลังต้องไปชวนเพื่อนผมก่อนผมมีเพื่อนูนหนึ่งชื่อโกริตะโกริตะก็เดินมาก็เป็นพระโมคคลลานันเดีกันนะ ก็ชนกันไปปรากฏว่าท่านทั้งสองก็ขอบวชเลยน ะ, ะโมคล า, านะชื่อโ ก, าา ก, กุลกตกาากิตะมาจากตระกูลกุลิตะก็เป็นโมคลานกุลิตะมาจากตระกูลโมคล า, านะก็ได้ฉายาว่ า, าโมครานโอภาษาริบุตรเป็นลูกของนางสารีมาจากตระกูลสารีก็เลยท่านฉายาว่าสารีปุตโตนะมัก็เป็นชื่อเป็นภาษาริบุตร หลังจากบวชแล้วนี่พระมหาโมคคลานาหรือกุลิตาทราบซึ้งมากผมขอกำลัญฐานนะผมขอไปปรีกเวกสักเจ็ดวันนะพันมั่นใจมากก็เกิดเรื่องอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นะได้บรรลุธรรมได้เจ็ดวันเพราะอุบายแก้ ง, ง่วงแต่พระสาิบุตรถือว่าตัวเองนี่เป็นคนรู้มากไม่จาเป็นต้องไปปรีกเวกฟังธรรมอย่างเดียวบรรลุได้เหมงนนก็เลยไม่ไป พระพุทธเจ้าก็ใช้ทํานูน่นทำนี่ทดสอบอันะไปเรื่อยๆท่านก็อดทนทำบางอย่างท่านก็ไม่ชอบแต่ก็ดทนทําเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วนะหน้านั้นเป็นหน้าร้อนพระพุทธเจ้าให้ให้ให้ถวายงานพัดดูว่าคนฉลาดแบบนี้รู้มากแบบนี้ได้ใช้มันมจะทำไหมก็ทําแต่ในช่วงที่ท่านกําลังถวายงานพัดเนี่ยลุงของท่านชื่อทีคาน า, าคาอักเวสนาโคตเป็นลุงของ ของพระสารีบุตรเมื่อก่อนเนี่ยเคยพบกันแทบทุกวันสนทนาธรรมกันลุงกระหลานนั่นนะแต่ปรากฏว่าหลานหายไปสิบกว่าวันเนี่ยหาไม่เจอไปที่ไหนก็เลยสิวถามสื่อไปสืส่อมาบอกว่าท่านอุปติสาเนี่ยไปบวชกับพระสมณะโคดมอยู่ที่อนุปยธรรมวันก็ตามไปตามไปก็เจอเห็นหลานกำลังถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่ก็เข้าไปกราบแล้วก็คุยกันสนทนากัน พุทธเจ้าก็คงจะรู้ชื่อเสียงมาไกลๆแค่เป็นเจ้ารัติก็เลยเข้าไปถามเออท่านดึงหลานผมมาบวชได้ไงเนี่ยคนคนี้ไม่เชื่อใครง่า ย, ายตามบุดีผมได้สูนยธรรมทุกวันแทบทุกวันเนะี่ะมาที่นี่ท่านเอาอะไรมาสอนเขาว่างัน้นให้เขาเชื่อได้ขนาดนี้พุทธิเจ้าก็เลยก็ย้อนถามบอกว่าเออได้ข่าวว่าออท่านกับออสารีบูรเนี่ยไปลุงไปหลานกันเห็นบอกว่าท่านเป็น คนสอนทำอยู่เหมือนกันนะ่ยท่านเอาอะไรมาสอนเข า, า อ, อ๋อผมเหรอผมก็บอกว่าสิ่งไหนถูกต้องก็สิ่งนั้นถูกใจสิ่งไหนถูกใจสิ่งนั้นถูกต้องอสิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งนั้นไม่ถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้องอันนี้ที่ซีีของของท่านอาธีคานักกานะ่สอนอย่างเงี้ยผมสอนอย่างนี้ประจําเลย ว, ว่างั้นผพ้ที่เชื่ก็ถามว่า ถ้าเขาทำอาหารให้ท่านทานเนี่ยอาหารไม่อร่อยเนี่ยแต่เป็นอาหารดีคิดว่ามันมันถูกต้องไหมที่จะบอกาอาหารไม่ไม่ถูกใจท่านแสดงว่าอาหารไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่เป็นอาหารดีอาหารสุขภาพเหมือนกันกินไม่อร่อยแต่ไม่ถูกใจท่านท่านคิดว่าอาหารนี่เป็นอาหารเสียไหมเออถ้าจะตอบว่าใชก่ก็เสียเหลี่ยมใช่ไหมพระพุเจ้าก็ลุกไปเรื่อยๆดิเนี่ย <laughs> ลุกไปอันที่สองถ้าท่าน มีทรัพย์สมบัติเขามาปล้นมาชี้ไปเนี่ยท่านก็เกิดความแค้นความไม่พอใจใช่ไหมแล้วถ้านก็ตามล่าหรือตามเก็บเขาหรือหาวิธีจะกําจัดเขาเอาของคืนมาท่านพอใจทําอย่างนั้นความพอใจที่จะทํอยางั้นคิดว่าการกระทำของท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมอ้าวโดนไปเกียรติที่สองไม่ตอบลุกเข้าไปหลายปัญหาเข้าหลายปัญหาเข้าหลายปัญหาเข้าปรากฏว่า พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนมาทั้งหมดมันเป็นเพียงความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นศัจธรรมมันไม่ใช่ศัจธรรมสูงสุดมันเป็นเพียงเวทนาเวทนาสัญชตาตญาณเนี่ยมันชอบอะไรมันก็ว่าอันนั้นดีอยากได้อะไรก็อันนั้นดีถ้าไม่ชอบอะไรมันก็ว่าสิ่งนั้นไม่ดีถ้าไม่ไม่ชอบหน้าใครคนนั้นจะดีขนาดไหนก็บอกเขาไม่ดีถ้าชอบคนที่เขาจะชโชคขนาดไหนคุณก็ว่าเขาดีคุณจะเอาเวทนาอย่างนี้มาตัดสินไม่ได้ กุทธิยถแสดงทำเรื่องเวทนาที่สวดไปเมื่อวันก่อนเวทนาบริก า, าสูตรปรากฏว่าคนข้างหลังก็ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเลยนะผ่านไปประมาณชั่วโมงคนข้างหลังบรรลุธรรมเป็นพระหรหนะันต์บรรลุธรรมเข้าถึงเลยนะแต่คนข้างหน้าได้ดวงตาให้ทำเข้าใจเป็นพระโสดาบันทํากันเดียวทํากันนี้เรียกว่าเวทนาบริก า, าสูตรมีคนบรรลุธรรมชั้นต้นคือทีคานาคะลุงของพระสารีบุตร ขั้นสูงสุดเพิ่นพระละหันคือภาษาเรเบตรได้ฟังธรรมเรื่องเวทนาปริกหาสูตรอันนี้เรียกว่าบรรลุธรรมด้วยปัญญาเรียกวปัญญามีมุตดด้วยการฟังแล้วก็ตามศึกษาเข้าไปแล้วพอเข้าใจแจ่มแจ้ ง, จงมันเกิดโพรงข้างในพอพรงข้างในปั๊บวาบเดียวความสว่างนั้นก็ไล่อวิชชาไปถึงอสวรถอนทีเดียวหมดเลยตรงนี้เรียกว่าปัญญามีมุดเรียกมีลิทธัทง ทางทางใจมีลีทางปัญญาแต่พระโมคคัลนะมีดีทางอ่าจิตมีดีทางเจโตอันนี้มีดีทางปัญญาพุทธองค์ก็เลยให้สององค์นี้เป็นมือซ้ายมือขวาใช่ไหมย้อน น, นเวลาเราไปกราบพระที่ไหนมักจะมีพระสองรูปอยู่ซ้ายขวาอยู่องค์ซ้ายคือพระโมคคัลนะองค์ขวาคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเลยเป็นเลิศทางปัญญาเป็นธรรมเสนาบดี ช่วงไหนที่พุทธิเจ้าไม่อยู่เนี่ยไปธุระหรือไปปีกวิเวกให้ภาษาริบุตรทําหน้าที่แทนในแง่ของการแสดงธรรมบอกว่าถ้าแต่เนื่องจากท่านไม่ได้อธิษฐานเป็นพุทธิเจ้ามาก่อนถ้าท่านอธิษฐานพุทธเจ้าท่านก็เป็นพุทธเจ้ า, าอีกองค์หนึ่งปัญญาพอๆพออุทธเจ้านี่คือเป็นเลิศโ ด, ดยอาศัยเวทนาเพราะฉะนั้นใครบําเพ็ญหรือว่าใครศึกษาเรื่องเวทนาให้ละเอียดเนี่ยปัญญาจะยอดมากปัญญาจะเยี่ยมทีเดียว แต่ถ้าหากว่าพิจารณาไปแล้วมันฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าปัญญาไม่พอจะไปทําต่อก็แล้วกันน ะ, ะดูเวทนาไปแล้วไปคิดแต่เปิดเปลืงแสดงปัญญาไม่พอคืนทำไปไม่หวังไรประสาทกินแน่ว่าต้องกลับมาบำเพ็ญเพียรทางจิตคนที่มีปัญญานะั้นหมายเขาว่าคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่คิดเลอะเทอะเลื่อยเปลือยอย่างที่เราคิดกันแต่ถ้าหากว่าดูความจริงที่ปรากฏในขณะ น, นี้เรานั่งมานานเนะี่ยเราเจ็บแค่ไหนแเราปวดแค่ไหนก็รู้แค่นั้น นี่คือคือเป็นโลกุตระปัญญานะอะไรปรากฏในกายก็รู้มันแค่นั้นไม่รู้ไปมากกว่านั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกุตรปัญญาแล้วในเมื่อรู้จากตัวเองดีที่สุดแล้วถามว่าสิ่งอื่นจะรู้ได้ได้ง่ายไหมง่ายเพราะตัวเองรู้ยากที่สุดตัวเองที่สอนยากที่สุดตัวเองที่ฝึกยากที่สุดใช่ไหมฝึกตัวเองได้สอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกพราสามารถปลูกคุณธรรมได้ทุกอย่าง แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะทำโลภุตรปัญญาให้เกิดได้เนี่ยก็ต้องไปใช้ตัวเจตุวิมุตตคือบังคับจิตลูกเดียวไม่ให้มันคิดก็ได้นะแต่คุณต้องทำนานมากอ่ะใช่ไหมเหมือนกับหินไปทับย้าเนี่ยลากมันลึกอะโดยเฉพาะแยาคายใช่ไหมถ้าทับนี่แค่ปีสองปีคุณยกออกนล้เดี๋ยวงานบวกเก่านยวย่าเนะ แต่ทับมันไปเลยสามสิบห้าสิบปีไม่ยกไอทีนี้ไม่ขึ้นแล้วจะไหวไหมโอ้ทาสมาธิแต่ขนาดลืสีบำเพ็ญตบะตลอดยังัยังมันยังงอกขึ้นเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทับอย่างเดียวแต่ถ้าปัญญาวีมุติเนี่ยไม่ต้องทับแต่เป็นไงถอนเลยขึ้นมาถอนลูกเดียวขึ้นมาถอนขึ้นมาถอ น, น, ถ, อนถอนมากี่ครั้งอะ่ะเป็นไงไม่ขึ้นแล้วลากจะลึกขนาดก็ตามขึ้นมาถอนลูกเดียว อันนี้เรียกว่าพวกที่ถอนหญ้าทิ้งถึงรากเนี่ยพวกเป็นปัญญาวิมุตต์พวกที่เอาเหินทับลงไปจนหญ้ามันตายจนรากมันตายเป็นเจโตวิมุตต์แต่พวกที่ถอนด้วยแล้วก็ทับด้วยถอนด้วยกระทับด้วยได้ทั้งสองอย่างพวกนี้มีทั้งฤทธิ์ที่เป็นทางจิต ด, ด้วยมีทั้งฤทธิ์ที่เป็นทางปัญญาด้วยบางทีได้ฤทธิ์ทงปัญญาก่อนแล้วไปบําเพ็ญเจโตที่หลังบางคนทําเจโตก่อนแล้วมาทําปัญญาที่หลัง อันนี้หายากคนได้ทั้งสองอย่างนะเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระบางองค์อย่างพระอนุรุทธะเนี่ยเขาก็ได้ทั้งสองอย่างได้ได้ฤทธิด์ด้วยแล้วก็ได้ปัญญาด้วยพระกสปะยเงี้ยดังนั้นเรื่องของเวทนาที่เราศึกษากันอยู่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาให้ไปปฏิบัติจึงบอกให้ทําด้วยความตั้งใจให้ทําด้วยความเข้าใจแต่ชั่วโมงแรกๆดูเหมือนจะดีใช่ไหม ชั่วโมงที่สองชักเหลือใช้เหลืวขวาจะคุยกับใครดีช่างมองออกแล้วเหมือนเด้อชั่วโมงแรกๆเนี่ยมองศึกษาอย่างดีกับตัวเองนะชั่วโมงที่สองมันชักเบื่อเลยใช่ไหมช่างไม่ค่อยช่างไม่ค่อยสนุกแล้วเหมนเนี้นั่นเพราะอะไรเพราะเราถ้าเป็นขับรถก็เหยียบเกียร์เดียวตลอดเหยียบเกียร์เดียวรถเกียร์เดียวเหยียบไปนานๆไปถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์ไปไงมันหมดกําลังไงเขาว่าลากเกียร์ใช่ไหม ไม่มีมวมังเกียร์ได้พังง่ายๆนาเนี่ยลากเกียร์มันจำหลักของการขับรถที่จะมีกําลังต่อดคือเปลี่ยนเกียร์เพราะมันมีขึ้นมีลงอ่ะในการขับรถได้ใช่ไหมมีขึ้นมีลงแล้วก็ไปเจอรถข้างหน้าแหลอะจะสตาร์ทใหม่คุณก็ต้องเข้าเกียร์ใหม่อันนี้ไม่รู้อ่ะฉันเหยียบเกียร์เดียวตลอดมันก็ชนกันพังหมดเหยียบเกียร์สี่เยียบเกียร์ห้าตลอดไปเจอข้างหน้ามันวิ่งแค่สามสิบแลวิ่งร้อยอย่างเงี้นะก็เจอกันนะนี่คือปัญหาชีวิตก็พออย่างนั้นนะ พอเราใช้ชีวิตหมดเดียวใช้ชีวิตเกียรเดียวคือเช่าจะเอาของชั้นอย่างเงี้ยไม่ไม่สนใจคนอื่นเนี่ยปัญหามันเกิดดังนั้นก็เหมือนกับทําความเพียนเหมือนกันถึงบอกว่ารถมีแค่สี่เกียร์ห้าเกียร์ใช่ไหมแต่ที่เราสวดมามันมีตั้งหลายเกียร์นะเฉพาะอตัวอิเล็กโบทมีสี่เกียร์แล้วใช่ไหมแล้วสมมติว่ามีทั้งเจ็ดเกียร์แล้วมาเวทนามีตั้ง เก้าเกียร์แล้วมาจิตตั้งทั้งสิบหกเกียร์นะ่ะเยอะแยะไปหมดนะเกียร์ที่เราใส่เข้าไปน ะ, ะเพราะนั้นจิตที่เราสอนพระนริชาตมีสิบหกใช่หรือเปล่าสิบหกคู่นะคือแปดคู่แต่ว่าสิบหกอย่างคู่ที่หนึ่งก็คือ <c oughs> มีราคะไม่มีราคะคู่ที่สองมีโทสะไม่มีโทสะคู่ที่สามมีโมหะไม่มีโมหะคู่ที่สี่จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู คู่ที่ห้าจิตเป็นเลิศหรือจิตไม่เป็นเลิศคู่ที่หกจิตตั้งมั่นหรือไม่จะมัน่นคู่ที่เจ็ดจิตมีจิตอื่นเหนือกว่าไม่มีจิตอื่นเหนือกว่า<ม>คู่ที่แปดจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นแปดคู่สิบหกเกียร์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถสิบล้อเกียร์คู่เลยนะอ่าน่าจะเห็นว่ามีอิริบทให้เปลี่ยนตลอด โดยเฉพาะในอิธิบทสกับอิธิบทย่อยมาบวกกันเป็นส1บเอดกียร์เลยนะเพราะว่าเฉพาะตัวสัมปัจยะประภามันมีเจ็ดคืออะไรบ้างนึกไม่ออกสวดไปแล้วนะก็คืออภิกันเตปฏิกกนเตสัมปชาญการีหตุติเมื่อเดินจงกรมก้าวหน้าถอยหลังให้รู้ชัดๆเดินเกียร์นี้ตลอดไหวไหม เดินไปสักพักชักขาแข็งเราใช่ไหมสักชั่วโมงไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ที่สองอ่าเปลี่ยนเกียร์ที่สองเกียร์ที่หนึ่งก็คือเดินก้าวหน้าถอยหลังเกียร์ที่สองเหลวซ้ายเหลวขวาบิดซ้ายบิดขวาลําตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวเกียร์ที่สามนั่งยกมือสร้างจังหวะคูเข้าเหยียดออกซำมินชีเตคูเข้าปาสาลิเตเหยียดออกเราก็มาทําเป็นจังหวะมันทําได้นานหน่อยเกียร์นี้ใช่ไหม อันที่สอันที่สี่อันที่สองก็คืออโลกิเตวิโลกิเตหมุนซ้ายหมุนขวาบิด ต, ตัวซ้ายขวาอันที่สามก็สัมมิณชีเตปาสาริเตขึ้นั่งสั่ง่างหวะอันที่สี่การแต่งเนื้อแต่งตัวจัดผ้าจัดเสือ้อให้กับตัวเองอันที่ห้าการกินการดื่มการเคี้ยวการกลืนอันที่ห ก, การเข้าห้องน้ําอาบน้ํา ใช่ไหมกาหนดรู้ได้ไหมพอไม่ไหวก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ําสักพักเอามาอันที่เจ็ดการหยุดการตื่นการนิ่งการพูดการหลับการตื่นการไปการมากันพูดกัรนิ่งมีเจ็ดชุดด้วยกันนะในเฉพาะสัมมาชยะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใช้มันไปเรื่อยๆรื่อเรียกว่าเปลนอิยบทที่เรานี่กันใช่ไหมอันนี้ไม่เปลี่ยนฉันจะนั่งแช่ของฉันยังนี่ง่วงแล้วง่วงอีกเบื่อแล้วเบื่ออีกสักพักก็หาเรื่องคุยกันใช่ไหม ย้ายไปตรงนู้นบาง ย, า, ยเาเขาเรียกวเป็นไข้าลากศาสตร์ศาสตร์ผือหนึ่งลากไปเรื่อยนั่งตรงนี้มันมันไม่พอใจก็ลากไปโน้นโ้นแล้วส่วนใหญ่นักปฏิบัติได้เป็นไข้าลากศาสตรน์นงกัน <c oughs> <c oughs> มันก็ได้ยากเนี่ยเราก็เลยว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะอันนี้เรื่องของเวทนาต่อด้วยจิตช่งชวงเช้านี่นะก็น่าจะพอแค่นี้เนาะถ้ามากกว่านี้มันจะเลอะนะ แต่คร น, นี้เข้าใจได้นะเข้าใจได้ก็ขอขอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะนำไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมทำลายอาศาุวะได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านทื่